พระธรรมเทศนาลำดับที่เก้าโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าอิทธิฤทธิ์ไม่เหนือกรรมวันนี้เป็นวันที่สิบสามพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าอยห้าสิบสี่วันนี้เป็นวันเดือนสิบสองเพนวันสิ้นปี แต่วันนี้ทางอำเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินมนมณ์หลวงพ่อนะนมณ์หลวงพ่อไปกาลสินวันนี่แต่หลวงพ่อบอกว่าวาเหนื่อยมาจากจังหวัดภูเก็ตแล้วรู้สึกว่าถาดขันไม่ปกติมันลักษณะจะเป็นหวัดทออ่าว่าเครื่องทารถไม่เข้าอู่เอาไว้เอาไว้นะ อมีแต่วิ่งกับวิ่งเน่ยคงจะไม่ไหวแล้วช่วงเนี่ยพอรู้สึกว่ามันมันรวน่ะมันกัไอ้เครื่องรถเครื่องรถมันรวน่ะเมืองต้องพักเข้าอู่ชักชวนระยะหนึ่งไงมันฟื้นซะก่อนเนี่ค่อยจะทํางานเดินต่อไปได้ถ้าว่าไม่พักฟื้นอถลําไปเรื่อยคงไม่ไหวแหละก็เลยบอกไปทางจังหวัด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 จากนั่ง บ, บินขึ้นมาอุบลอีกแล้วก็มาเทศมาแสดงธรรมที่งานเขาจะวางศิลาฤกษ์จังหวัดยะโสธรจะได้มากราบหลวงปู่จามมาพักวัดหลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาจากนั้นจะได้กลับมาวัดพราะนั้นไปคราวนี้รู้สึกว่าถ้าเป็นรถก็แปลว่าใช้แบบ สปักสบอมพอสมควรนะแต่หลวงพ่อไม่ใช่เป็นพระน้อยพระนมแล้วท่นเนี่มันจะป่าเข้าเจ็ดสิบแล้ววันนั้นเรื่องธาตุขันร่างกายเนี่ยก็ดูดูแล้วก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าว่ามันปอกแป๊กใจขาดตายไปตัเดียวมันก็ไม่มีปัญหาถ้าไปแล้วเนี่นะเป็นอมาพึกเอบเป็นอมภาพาัดให้พระเนน ได้รู้ดูแลหามเห่ไปเหมานโอ้หลวงพ่อเองก็ยังคิดเหมือนกันแต่ถึงอย่างไงก็มันก็ต้องหนีไม่พ้นทำเราได้ทํากรรมเอาไว้อิทธิฤทธิ์ก็ไม่เหนือกรรมที่มีอิทธิฤทธิ์เราก็ไม่เหนือกรรมกรรมี่เหนือกว่าสิ่งใดทั้งหมดพระพุทธเจ้าทั้งท่านในในชาดกหรือใน จริยาปิดก็พระพุทธองค์ท่านพูดถึงจริยะคือความประพฤติหรือว่าการเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้านเราไปอ่านอ่านดูแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ใช้กรรมนั้นเหมือนกันกรรมคือการกระทํำท่านก็ได้ใช้กรรมบางอย่างที่ท่านได้ทําวิบากของกรรมมันยังมีเศษเศษติดติดมา ติดมาคือร่างกายของเราเนี่ยมันต้องเดีรับวิบากกรรมวิบากกรรมในอดีตที่ได้ทํามาแล้วทุกพบทุกชาติคนเราไม่ใช่ว่าจะทําแต่กรรมดีอย่างเดียวเกิดมาชาติหนึ่งให้พวกเรานึกดูตัวของพวกเราก็แล้วกันแต่แตเกิดมาเนี่ยข้าพเจ้าทําดีมาตลอดอย่างนั้นใช่ไหมคําว่าทําดีคำนี้นี่ยคือกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม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 ทำกรรมทางวาจาในหลักของพุทธศาสนาพราะภิกษุขาดจากการเป็นพระเรื่องวาจานี่ก็มีคืออวดอุตรีมนุษยธรรมอันนี้ก็คือทางวาจาทางกายฆ่าขโมยทรัพย์ประพฤติผิดสามีภรรยาแล้วก็ดื่มสุราอันนี้ก็คือกายแต่ใจ โลภอยากได้ของเขาพยาบาทเขาปองร้เขาเห็นผิดจากทํานองคลองทำแต่ว่าเห็นผิดจากทํานองคลองทำตัวนี้มันกว้างมากเอเห็นผิดตรงไหนะรบปเลยก็คือมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดเห็นสิ่งที่ดีกับเป็นของเลวเห็นว่าเป็นของเลวก็ว่าเป็นของดีอันนี้มันต้องแยกแยะอีก ทีนี้ถ้าว่าผู้ที่ไม่ได้ไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้รับการอบรมมันจะต้องเป็นไปได้ทั้งนั้นเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดถ้าบางทีมันยังผู้ที่รู้เขาแนะนำแล้วยังไม่ฟังอีกต่างหากค่พะพอทิทิฏตัวนี้มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันสรุปแล้วก็คือกรรมคือการกระทาตัวนีนะ้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะเขาว่ากรรมตัวนี้ อิทธิฤทธ์ก็ไม่เหนือกรรมกรรมตัวนี้เหนือเหนือกว่าอิทธิฤทธ์ทาไมจึงยกอย่างนั้นขึ้นมานยกอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือในพระไตรปิฎกท่านยกพระโมกคลาพระโมกค ล, ลาเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชเหาะเหินเดินฟ้าดําดินบินบนไปสู่สวรรค์ไปสู่สู่นรกไปได้ทุกแห่งหนอิทธิฤทธิ์ของพระโมกคลา รองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองแต่ผลที่สุดถูกโจนฆ่าถูกโจนฆ่าที่กาละศีลาแขวงกรุงราชคือทั้งที่ท่านเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ทําไมทําไมถึงถูกโจนฆ่าโจนทำไมจะฆ่าท่านเพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์เป็นอั克拉สาวกของพระพุทธเจ้าอ克拉สาวกข้างซ้ายพระพุทธเจ้า อัครสาวกข้างขวาคือภาษารีบุตรเป็นผู้เลิศทางปัญญากว่าภิกษุทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระโมคคลาเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางลิศทางเดชห่อเหินเดินฟ้าเนี่ยคือพรโมกคลาท่าโมกคลาท่านไปสู่สวรรค์แต่บอกเออสวรรค์ชั้นนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะกลับามาบอกเมืองมนุษย์ มาบอกให้พวกเราเออสวรรค์ชั้นนั้นนะพี่น้องของโยมนะไปอยู่เดิ๋ใวน้ไปอยู่ชั้นสวรรค์ชั้นนั้นจั้เ น, นี้นะเขาทำกรรมอันนั้นเขาจึงได้ไปอยู่ที่นู่นนี่ยเขาบอกข่าวมาเนี่ยเขาแจ้งข่าวมานะก็ทําให้ศรัทธาญาิโยมในยุคตันสมัยนั้นเคารพนับถือเลื่อมใสพระโมกขาลาเอจากนั้นพวกที่อิจฉาทเนี่ยมันก็มี่เนี่ยออิจฉานี่ก็คือพวกนอกศาสนา เขาก็ลงขันกันจ้างอาโจนผู้ร้ายที่จะมาฆ่าพระโมกขลาถ้าว่าไม่ฆ่าพระโมกคลาฉนันไม่ไม่แล้วหรอกศาสนาของเราคงจะงอกเงยไม่ได้พระโมกคลาในครอบงํำเขาก็ลงขันกันพอลงขนันกันจ้างพวกนักเลงพวกโจนผู้ร้ายที่เป็นนักเลงในยุคสมัยนั้นแต่ว่าโจนห้าร้อยเหมือนกันนะโจนห้าร้อย เขจ้างเสร็้พวกเดลถีพวกนอกศาสนาก็จ้างจ้างกับพวกนั้นกับได้เงินกับพยายามอพยายามฆ่าไปล้อมครั้งหนึ่งประมุกปลาเหาะหนีไปล้อมอีกครั้งที่สองล้อมกุฏิของท่านนะอยู่ในกุฏิไปล้อมกุฏิของท่านนะขึ้นไปเห็นแต่กุฏิเปล่าพอล้อมครั้งที่สามท่านก่อนพอเหตุไรทําไม พวกโจรผู้ร้ายทําไมจึงเบียดเบียนมาจะทําเอาชีวิตของข้าขนาดนี้เพราะอะไรท่านก็นึกย้อนแต่ตามไม่จริงท่านคงจะนึกย้อนมาดูพอแรงแล้วเพราะท่านได้เป็นพระอาหารหันต์ขนาดานั้นกรรมตัวไหนที่จะพาท่านนิพพานนคงจะรู้แต่ก่อนะแต่ใ น, นท่านพูดเป็นตําราออกมาเพราะท่านทะลึกชาติได้ทะลึกถึงหนหลังได้ทั้งหมด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 จากนั้นมาเราก็ถูกฆ่าตายไม่รู้ว่ากี่กี่กี่พบกี่ชาติพอฆ่าชาตินั้นเราก็ลงเอเวจีมาหานรกเพราะอันันตริยกรรมมาทุกข้าตปิทุกข้าทั้งฆ่าพ่อทั้งฆ่าแม่ด้วยจากนั้นก็ลงเอเวจีมาหานรกพอพนจากนรกมาก็ใช้กรรมมาโดยตลอดจากนั้นก็ถูกฆ่ามาตลอดตลอดมาทุกพบทุกชาติหลา ย, ลายชาติ เลี่ยงลำดับมาชาตินี้ก่อนหนี้ไม่พ้นอีกแล้วเ่ทั้งที่เราจะได้ทาเราได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแต่หนีกรรมไม่พ้นล่ะทั้งมีอิทธิฤทธิ์ด้วยผลให้สุดโจรขึ้นมาเนี่ยท่านก็ไม่หนีเนพราะต่างต้องใชก้กรรมขึ้นมาเขาก็จับมาก็คอนทุบนะอพอคอนทบเสร็จแล้วก็เขาก็ลากลงไปออกจากกุฏิ ทิงไว้ในพุ่มไม้จากนั้นโจรนะก็เข้ากันแห่หนีกันไปฆ่าแล้วจากนั้นเขาก็ได้ไปรับรางวัลจากผู้ที่ให้ที่ให้ค้างอีกคงจะให้สองขยักมั้งให้ครั้งหนึ่งก็ให้ให้ไปเตรียมการให้ครั้งสองไปว่าให้สําเร็จแล้วทํางานสําเร็จแล้วคงจะให้อีกนละักษณะอย่างนั้น่ะจากนั้นประโมคคัลลาท่านกับท่านเป็นผู้มีฤทธิ์เนี่ย ถึงธาตุขันธ์ร่างกายของท่านจะแตกกระจุยกระจายท่านก็ประสานประสาน ร, ร่างกายให้เป็นหนึ่งเพราะว่าเรายังไม่ได้การาบลาพระพุท ธ, ธเจ้าตามที่จิงพระอั克拉สาวกหรือพระอรหันต์ก่อนที่จะปรินิพานจะต้องการาบลาพระพุท ธ, ธเจ้าก่อนจึงจะปรินิพานอันนี้เรายังไม่ได้การาบลาพระพุท ธ, ธองค์ยังไม่ได้การาบลาพระพุท ธ, ธเจ้าเลย เราควรจะไปกราบลาท่านก่อนท่านจึงใช้อิทธิฤทธิ์ประสานกายให้เป็นหนึ่งให้ปกติเลยนี่แหละหมอทุกวันให้เขาใช้คาถาพโมกขลาเนี่ยเป็นภาษาบาลีบ่นหมุมหมอบุมอบมอบหมบแล้วกระเป๋าเสกคาถาจอดกระดูกจอดเอที่มันแตกมันหัก่ะเขาคาถาพโมกขลาประสานกายแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เรียนเอาคาถาทนี้ <c oughs> จากนั้นนะกับประสานกายเป็นตัวของท่านไปกราบพระพุทธเจ้าบอกล่าวพระองค์พระโมกขลาก็กราบทูลพระพุทธเจ้า ว, ว่าข้าพระองค์จะลาปรินิพานเพราะว่าถึงข่าวและโจรได้ทําร้ายทําลายข้าพระองค์ที่กาลสีลาแขวงราชคือพระพุทธองค์ก็บอกอึไปตามการอันควรเถอะเถรนาโมกขลา ไปตามการอันควรของเธอจะนะโมคลาคนระับผมแต่ก่อนที่จะ น, นิีพผ่านนั้นให้ให้เธอแสดงอิทธิฤทธิ์หรือ ว, ว่าบอกบุพกรรมกรรมดีและกรรมชั่วที่ทำในอดีตให้แก่น้องๆฟังซะก่อนจึงค่อยไปคนระับผมจากนั้นประโมกอลาการพบพระทธองค์ พอกราบเสร็จแล้วก็แสดงอิทธิฤทธิ์เหาะขึ้นไปบนเพียงเท่าตนตาลเพียงปลายตาลและเกิดขึ้นไปอีกสองซัวตนตาลสามซัวตนตาลสามครั้งจากนั้นประกาศประกาศธรทำว่าข้าพเจ้าได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลเป็นอั克拉สาวกในคราวนี้พาะบุพกรรมอันไหนได้ทําความดีอันไหนไว้ในอดีตจึงได้มาเป็นเป็นอ克拉สาวก ที่เป็นจุดเด่นที่สุดที่ตั้งความปรารถนาในคราวนั้นใ น, นท่านก็ประกาศจากนั้นท่านก็ลาพระพธองค์ไปกลับไปไปพอไปถึงที่ท่านก็วางทิ้งพลวะพอไปถึงที่ท่านก็วางทิ้งเหมือนโจรฆ่ายังไงโจรทํำยังไงก็ลักษณะอย่างนั้นจากนั้นก็เข้าท่านก็เข้าสู่นิพพานร่างกายสังขารนั้นก็ทิ้งไว้ปกติแต่ความมรร สุดของท่านอ่ะไปเข้าสู่นิพพานจากนั้นก็ชาวบ้านประชาชนทั้งหลายก็โจดขานกันว่าพระโมกคลาถูกโจรฆ่าจนได้ยินไปถึงพระเจ้าอา ช, ชาติศัตรูที่เป็นลูกชายของพระเจ้าพิมพิสารนะอา้าวทำไมถึงฆ่าพระถึงขนาดนั้นนะทำไมเพราะเอยดไลเนะี่ยจากนั้นก็ท่านก็ใช้พวกตำรวจสันติบาลนะออกสืบทุกหัวละแห่ง ผลที่สุดพวกโจรพูร้ายเท่านั้นก็มันบาปกรรมมันมีบาปก ร, ร ม, มันปิดปากไม่อยู่พอเอาเงินที่ได้มาแ ไ, ไปซื้อเหล้ากินเหล้าเนี่ยนะ เ, เป็นกุญแจสําคัญบอกความชั่วของคนไม่ยุคไม่ยุคนั้นสมัยนี้คนกินเหล้ามันปากโป้งเนี่ยพอกินเหล้าเข้าไปเลยคนหนึ่งก็เเทปคนหนึ่งเตะคนหนึ่งเอ้ยฆ่านี่แหละลงมือก่อนวะ โมพระโมกขลาจึงได้มาได้เงินมาขนาดนี้ผล้นิสูรก็เลยอวดศักดากันตำรวจเห็นแล้วก็รวบทั้งหมดรวบทั้งผู้จ้างรวบทั้งผู้ข่าจากนั้นก็โทษประหารทั้งหมดโทษประหารที่ขับพระโมกขลานี่แหละคือทท่พูดให้ฟังทั้งหมดนี้ สรุปแล้วก็คือพระโมคคลาเป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีอิทธิเลศแต่ก็ไม่เหนือกรรมกรรมคือการกระทำในอดีตที่ท่านได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตัว น, นั้นน่ะท่านก็ได้รับกรรมแต่เมื่อต่อไปทำยังไงเนเมื่อท่านเข้าสู่นิพพานแล้วก็ต้องเอโหสิกรรมโอโหสิกรรมคือกรรมให้ผลสําเร็จถึงจะไม่สาเร็จหรือไม่สาเร็จก็เหมือนกับพระโมคคลา ท่านนั่งเรือลงข้ามฟากมาหาสมุทรกรรมคือการกระทำมันอยู่ใ น, ใ น, ใ, นในโลกกระถัดเอว่างั้นกามมาโลกรูปประโลกอรูประโลกมันอยู่ในนี้มันไม่สามารถที่จะตามเข้าสู่นิพพานได้นิพพานใน่ว่าเป็นอีกมิติหนึ่งนอกเหนือจากโลกกระถาดเพราะนั้นกรรมตอนนี้ เหมือนพระโมคคลาข้ามาหาสมุทรไปอีกฝากฟังหนึ่งกรรมตัวนี้ก็วิ่งวนอยู่ในในเมืองมนุษย์ในในวัฏในวัฏสงสารเนี่ยแมันไม่ออกจากวัฏตะไปได้กรรมแต่พระโมคคลาออกจากวัฏตะไปแล้วกรรมกรรมนึ่ก็ตามไม่ทันเลยกรรมที่จะทําจะให้จะให้โทษอีกนไม่ทันตามไม่ทันไม่รู้จะไปที่ไหนผลที่ฉุดกรรมตัวนี้ก็เลยหมด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 เหมือนกเรานึกโมโหแก่ไขรเราปืนไปยิงเขาจ้ะในขณะที่ยิงเราก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดมากโมโหแต่พอจิงเสร็จแล้วท่นนนะตำรวจไล่จับตะคบแล้วท่านเน่ยแหมหัววิ่งหัวสุกหัวซุนหลบใช้หลบขวานหลบหน้าหลบหลังมิ่งเบีงเหนือลงใต้แหมแต่ว่ากรรมแต่นี้มันเหนือกว่าตำรวจตำรวจมันยังยังเชิงเชิง ช, องชายอยู่นน่ะกรรมแต่นี่มัน มันวิ่งเหมือนกับไอพ่นจลวดไลไอไอพ่นเนะ่ยงั้นเถอะลูกกระสุนไล่ไอพนนะ่ะจี้ตลอดนะเอนีอยผลวในสุดกนนะ็น่ะอชนจนได้ใ น, นกรรมคือการกระทําตัน่นี่ไล่จี้ตลอดเนะ่ยผลวในสุดพุ่งทันเข้าไปก็ให้ผละเหมือนกับตํารวจนะเมื่อจับทันเข้ามาก็จับเข้าคุกในเมืองมนุษย์นะแต่เมืองผีนั่นอีกอย่างหนึ่ง จะต้องรออีกจะต้องรอลงโทษอีกรอบรอบที่สองอันนี้เมือง ม, มนุษย์ให้โทษแต่ร่างกายจับให้โทษแต่ร่างกายแต่ส่วนเมืองผีนให้โทษทางใจคือตัวนามพระธรรมตัวนั้นะตัวคิดเนี่อสรุปแล้วก็คือในเมืองมนุษย์เเนี่ยอจับได้แต่ลดว่าะงั้นอจับได้แต่ลดลถไปขังเออแต่เมือมนุษย์เมืองผีจับโซเฟอร์ จับโซเฟอร์ไปให้ไปลงโทษทำไมไมึงคิดอย่างนั้นทำไมยังทำอย่างนี้เมืองเมืองอมนุษย์เมืองผีจับตัวใจไปลงโทษโทษโทษตอนนั้นก็ับมึงก็ทุกทุกเหมือนกันพอให้โทษตกนรกหมกไหมนี่แหละอันนี้ก็คือพระพุทธองค์ท่านรู้ได้อย่างไรท่านบอกว่าจุตูปาตาญาณ การจติของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นไปด้วยกรรมกรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเพราะนั้นยาทํากรรมที่มันชั่วให้กรรมแต่กรรมดีท่านจึงยกเป็นพระบาลีเนาะอกตังบุกตังเสยโยความชั่วจะทำเสเลยดีกว่าเพราะความชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังทาแต่กรรมดีนี่แหละ ต่นี้ก่อนที่จะทำกรรมดีจุดนี้ได้เนะี่ยมันจะต้องได้รับการอบรมเป็นระยะหรือเป็นขั้นตอนของการการอบรมเหมือนกันแต่ถ้าว่าพวกเราคิดคินมาแล้วกัจะเอาชนะใจตนเองขึ้นมาได้อย่างเดียวนะมันก็ยากเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราได้ศึกษาตามแนวแถวของพระพุทธศาสนาทคำความสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์ท่านทาอย่างไร ท่านจึงจะเอาชนะที่ท่านอบรมใจของท่านใจอบรมของพระไทยและใจของท่านได้ท่านว่านั่งสมาธิเนะี่นี่แหละตัวนั่งสมาธิตัวนี้แหละคือพยายามควบรวมสติสติสัมปชัญญะควบคุมควบคุมใจควบคุมตัวผู้รู้ตัวเนี้ยควบคุมโชเฟอรนะ์จะเอาอะไรมาควบคุมต้องเอาสติสติสัมปชัญญนะเมื่อควบคุมสติ ควบคุมใจได้แล้วท่นานอันไหนอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหควรไม่ควรแต่มีสิ่งเตีบ๊บเปียบเทียบเมื่ อ, อไรเราเมื่อเราได้ศึกษาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเลยท่านเอาธรรมะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้เอารรำำอกกฎเกณฑ์เอากฎระเบียบเข้ามาเปรียบเทียบถ้าทําอย่างนั้นผิดนะทําอย่างนั้นคิดอย่างนั้นผิดนะแต่ทําอย่างนี้นถูกนะผิดถูกเนี่ยจะรู้ได้ท่เพราะว่าเรามีสติแล้ว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 ควรทำจึงไหนควรไม่ไม่ควรทําสิงจึงไหนก็รู้ได้ในขณะนั้นจากนั้นก็รู้ไปเรื่อยๆเลยปรปับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆนีท่านว่าใจนี่แหละที่เป็นพระอริยบุคคลพระโสดาพระสกทาขาพระนาคาพระอรหันต์ไม่ใช่กายใจคือตัวผู้รู้นมามธรรมน่ะตัวนมามธรรมที่มองไม่เห็นนั่นน่ะตัวนั้นแหละที่จะได้สําเร็จ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 เป็นบริษัทบริวารของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะเพราะอะไรใจอย่างเดียวใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้เน้นเรื่องของใจใจเป็นใหญ่เนั้นพวกเราคณะจตห า, ายาโยมลูกหลานทุกคนนะให้สํารวมให้ระวังอย่าตั้งอยู่ในความประมาทตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีก ่งความดีความชั่วมีอย่างที่พระโมกคราที่ท่านได้ทำไว้ใ น, ในพระไตรปิฎกถ้าพวกเราอยากจะรู้ว่าตายและเกิดและตายและสูญนะอย่าไปมัวเมียคิดเดาเอาคาดคะเนเอาค า, าดไปมันก็คาดผิดคาดถูกไปอย่างนั้นละอยากจะรู้จริงให้นั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วนะจิตใจลงเป็นหนึ่งละ จะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจเนี่ยไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแยกกันที่หลวงพ่อเปรียบเทียบรถกับคนขับรถน่นเห็นได้ชัดนะเพราะนั้นตัวใจนั่นแะพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญให้ความสำคัญโซเฟอร์มากกว่ารถหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจก็คือโซเฟอร์นั่นเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆนะเพราะนั้น หลักรมคำสอนที่พวกเราได้อบรมได้มาศึกษาเนี่ยานให้อบรมใจถ้าใจดีเช่อย่างใจมีเหตุใจมีหนุสิ่งไหน ด, ดีสิ่งไหนชั่วสิ่งไหนควรพูดควรคิดควรทำจะรู้ได้ด้วยตนเองถ้าคนมีธรรมในใจน ะ, ะต่อนนี้ไปคณะสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร